บุ <Book> <80. S 3> ๊กทูแปดสิบยนภะไคำคุณศัพท์สามวิเศษนาโลโมดุเธอมีสุนัขหนึ่งตัวอ้ไม่วอ ด, ด้กุกกะวุนดิสุนัขตัวใหญ่อ้กุกกะเปดดดิ เธอมีสุนัขตัวใหญ่หนึ่งตั ว, ว, าวาาเป็ น, ดกกนดเดธอมีบ้านหนึ่งหลังะะาาลบ้านหลังเล็กอลนนดีเธอมีบ้านหลังเล็กหนึ่งหลัง เขาพักอยู่ในโรงแรมหนึ่งแห่งอ้หนึว่กบโฮเทลเนวันตุนนารุโรงแรมราคาถูกอะโฮเทลชาวบกดีเขาพักอยู่ในโรงแรมราคาถูกอ้หนึวกับชาวบกโฮเทลเวนตุนนารุเขามีรถหนึ่งคันอนกีวกคาร์วนดี รถราคาแพงอาคารุขายไ ด, ด้นึ่ดิเขามีรถราคาแพงหนึ่งคันอะอกกขายได้นาคารุวันดิเขาอ่านนิยายหนึ่งเรื่องอนะวกันน่าเะดิ น, นารุนิยายน่าเบื่ออาน่าเวิสุ ก, กะนดิ เขาอ่านนิยายน่าเบื่อหนึ่งเรื่องเอ้ยนะวิสุกเกรน้ากนาลัดุต น, นารเธอดูหนังหนึ่งเรื่องอาวแมอกาซีนีมจูสอนดีหนังน่าตื่นเต้นอาซีนีมอุฮะกระงกาอุนดีเธอดูหนั ง, น, งน่าตื่นเต้นหนึ่งเรื่อง